จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทำลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นเหมือนแสงสว่างนำทางพาให้ชีวิตได้ไปสู่ความสุขความเจริญได้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายต่างๆคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราหมันศึกษาแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติได้ผลจะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอน ความโชคความเสื่อมเสียต่างๆจะไม่มีอย่างแน่นอนดังนั้นเราควรที่จะให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอย่างน้อยฟังธรรมกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทรงกำหนดวันรร ม, มัดสวดิคือวันพระขึ้นมาเพื่อให้ญาณโยมพุทธบอยสัต ได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆแล้วไปวัดเพื่อจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากคราบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะทำอะไรควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้แล้วก็จะพบกับความสุขพบกับความเจริญสมัยก่อน วันพระเป็นวันขึ้นแรงแปดขั้มสิบห้าขั้มแต่สมัยนี้เนื่องจากเราไม่ได้หยุดทางานตามวันขึ้นแรงเราก็ต้องมาดัดแปลงวันพระของเราให้ตรงกับวันที่เราหยุดทำงานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เราควรที่จะถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระของพวกเราเพื่อที่พวกเรา จะได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าเรามีวันพระเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วเรามาวัดฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ความรู้ความฉลาดที่จะพาให้เราได้ประพฤติตัวเราเองให้ได้พบแต่ความสุขความเจริญ ไม่ได้พบกับความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆคุณธรรมหรือเหตุที่จะทําให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีความสําเร็จนี้มีชื่อว่าอิทธิบาทสอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทคือทางทางสู่ความยิ่งใหญ่หรือทางสู่ความสําเร็จมีอยู่สี่ข้อด้วยกัน คือหนฉันทะความยินดี 2. วิรยิยะความภาคเพียร 3. จิตตะความตั้งมั่น 4. วิมังสาความคิดด้วยเหตุด้วยผลนี่คือธรรมะหรือคุณธรรมที่จะทำให้ผู้มีคุณธรรมทั้งสีประการนี้ พบกับความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมก็ตามถ้ามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วจะทำงานทำการอะไรก็จะพบกับความสำเร็จเสมอดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการ เรียนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นการอยู่ของครอบครัวความสำเร็จอยู่ที่คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ดังนั้นเราควรที่จะสร้างคุณธรรมสี่ประการนี้ให้มีอยู่ในตัวเราให้ได้เพราะถ้ามีแล้วเราจะสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ เช่นถ้าเราอยากจะสำเร็จในการริ่มเรียนอยากจะเรียนได้ปริญญาสูงสูงเราต้องสร้างความยินดีกับการศึกษากับการริ่มเรียน ก, กับการไปโรงเรียนกับการดูหนังสือกับการทําการบ้างการที่เราจะมีความยินดีเราต้องรู้ถึงผลที่จะเกิดจากการกระทาของเรา ว่าถ้าเราขยันเรียนเราขยันทําการบ้านไม่หนีโรงเรียนเวลาครูอาจารย์ฟังสอนก็ตั้งใจฟังเวลาให้การบ้านกลับมาก็ทาการบ้านให้เราเห็นว่าถ้าเราทาอย่างนีแล้วเราจะได้เรียนจบเรียนจบไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเราจะเรียนจบได้อย่างแน่นอนแล้วเมื่อเราเรียนจบแล้ว ชีวิตของเราก็จะดีกว่าตอนที่เรายังไม่ได้จบเพราะถ้าเราไม่จบเวลาไปหางานก็จะหางานได้ไม่ดีเท่ากับเวลาที่เราเรียนจบแล้วถ้าเรามีปริญญาเราก็จะหางานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีปริญญาถ้าเราได้ปริญญาโทรเราก็จะได้งานดีกว่าผู้ที่ได้ปริญญาตรี ถ้าเราได้ปริญญาอีกเราก็จะได้งานที่ดีกว่าผู้ที่ได้ปริญญาโทแล้วพอได้งานที่ดีรายได้ก็ดีพอได้รายได้มาเราก็จะมีสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มีบ้านใหญ่บ้านโตมีรถเก๋งทีมีเงินใช้สอยไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไร ก็จะสามารถมีเงินทองซื้อหามาได้นี่คือเราต้องนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนของเราถ้าเราตั้งใจเรียนเรียนจบชีวิตของเราจะดีขึ้นเงินเดือนจะมากขึ้นรายได้จะมากขึ้นเราจะได้สิ่งที่เราต้องการต่างๆมาอย่างสะดวกและง่ายได้ ถ้าเราเห็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราก็จะทำให้เราเกิดความยินดีอยากจะไปโรงเรียนอยากจะไปดูหนังอยากจะดูหนังสืออยากจะทำการบ้านอยากจะเรียนพิเศษคนที่มีความอยากอ ย, ากอย่างนี้ก็จะเกิดความภาคเพียนขึ้นมาพอเรามีความอยากเรียนแล้วความขยันเรียนก็จะมาเองไม่ต้องบังคับเด็กบางคนนี่ขอพ่อแม่ไปเรียนพิเศษ เด็บางคนนี่ทําการบ้านถึงสงยามตีหนึ่งก็มีเดเช้าก็ยังอาใส่บาตแล้วค่อยไปเรียนหนังสือแล้วเวลาสอบก็ได้สาจุดกว่า4จุดนะเพราะเขาตั้งใจเรียนเมื่อเขามีความยินดีที่จะเรียนเขาก็จะมีความขยันเมื่อมีความขยันก็จะมีความตั้งใจจิตตะจิตตะแปลว่าความตั้งใจที่แน่วแน่ต่อ การร่ำการเรียนไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ไม่ย่อท้อหาวิธีฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปแล้วก็มีวิมังสาจิตก็คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดว่าถ้าไม่เรียนก็จะไม่จบถ้าเรียนก็จะจบจบแล้วก็จะสบายกว่าไม่ได้เรียนกว่าจะไม่ได้จบนี่คือวิมังสาคือความคิดด้วยเหตุด้วยผล คิดว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าขยันเรียนผลเรียนก็จะดีถ้าขี้เกียจเรียนผลเรียนก็จะไม่ดีถ้าเรียนไม่ดีโอกาสที่จะเรียนไม่จบก็มีถ้าเรียนดีโอกาสที่จะเรียนจบได้คะแนนดีก็มีและมีโอกาสที่จะขอทุนได้ ไม่ต้องเสียข้าวเราเรียนก็ได้คนที่เรียนเก่งๆนี้มีทุนเขาสนับสนุนให้เรียนอยู่นี่คือเรื่องของอิทธิบาสีที่พวกเราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็ดีการทํางานก็ดีการทาํ า, ท ง, า, าทงานก็ต้องไต่เต้าจากขั้นต่ําไปสู่ขั้นสูงถ้ามีความยินดีที่จะทํางานทุกรูปแบบ ที่เขามอบหมายให้เราทำมีความขยันทำงานให้บรรลุผลสําเร็จที่เขาต้องการใจแน่วแน่นต่อการทำงานทำงานด้วยปัญญาคิดด้วยความฉลาดรอบคอบไม่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้ผลงานดีเดี๋ยวเจ้านายเขาก็จะเลื่อนตาแหน่งเลื่อนเงินเดือนให้ไปเรื่อยๆแน่ในที่สุดก็จะได้ไปสู่ ระดับผู้บริหารได้เป็นผู้เป็นหัวหน้าของบริษัทเลยก็ได้เพราะเรามีอิทธิบาท4ีนะ่ในชีวิตของครอบครัวก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้ชีวิตครอบครัวของเรามีความสําเร็จเราก็ต้องมีความยินดีที่จะทําหน้าที่ของของผู้ที่อยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยา ไม่ว่าจะเป็นบุตรเป็นที่ดาวถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนด้วยความเข่งคัดครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คืออิทธิบาทสีที่พวกเราควรที่จะสร้างมันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขและความเจริญเมื่อเราได้พบกับความสุขความเจริญในทาง การเรียนแล้วในการทำงานแล้วในเรื่องของครอบครัวแล้วเราก็อาจจะมาให้ความสำคัญมาสนใจกับการให้ความสำเร็จในทางธรรมต่อไป mm hmm. เพราะว่าความสำเร็จในทางโลกนั้น mm hmm. มันเป็นทางตันมันก็ได้เท่านั้น mm hmm. ได้ร่ำ mm hmm. ได้รวยได้มีความสุขกับครอบครัว mm hmm. แต่ ร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดและสิ่งต่างๆที่เราได้หามาได้มันก็จะหมดสภาพไปเวลาเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวกับเราไปได้ไม่สามารถเอาเปริญญาติดตัวไปได้ไม่สามารถเอาตำแหน่งในหน้าที่การงานไปได้ไม่สามารถเอาครอบครัว บททธิดาสามีภรรยาไปได้ไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยถ้าเราอยากจะไปแบบมีอะไรติดตัวไปเราก็ต้องมาสร้างสิ่งที่จะเราเอาติดตัวไปได้สิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ก็คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือสมบัติที่เป็นของเราอย่างแท้จริงสมบัติที่จะติดไปกับใจของเรา ทรัพย์ภายในนี้มีอะไรบ้างก็มีสองระดับทรัพย์ที่จเจริญแล้วยังเสื่อมอยู่และทรัพย์ที่จเจริญแล้วไม่เสือ่อมทรัพย์ภายในที่จเจริญแล้วเสื่อมก็คือเทวทรัพย์พรหมทรัพย์นี่คือทรัพย์ที่จเจริญแล้วเสือ่อมเช่นถ้าเราทําบุญทาทานแล้รักษาศีลได้เราก็จะไปรับเทวทรัพย์ไปเกิดในเทวโลก ไปเป็นเทวดาไปรับความสุขของเทวดาชั้นต่างๆแล้วถ้าเราถึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็จะได้พรหมลทรัพย์เราก็จะไปเกิดบนพรหมโลกได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นต่างๆแต่สวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวโลกหรือพรหมโลกนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจ์ความไม่เที่ยง คือจเจริญได้ก็ต้องเสื่อมได้เมื่อบุญหรือเหตุที่ทำให้เราได้ไปสู่พรหมโลกั้นเสื่อมลงไปจิตของเราก็จะเลื่อนลงมาสู่เทวโลกแล้วเมื่อบุญของเทวโลกเสื่อมลงไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาสร้างบุญสร้างคุสมใหม่เพื่อที่เราจะได้กลับขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆใหม่ เหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์เวลาเราขับรถยนต์ไปไหนมาไหนน้ำมันที่เราเติมอยู่ในถังเดี๋ยวมันก็จะพร่องไปทีเราเล็กทีเราน้อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดพอใกล้จะหมดเราก็ต้องไปแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันใหม่การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนการมาเติมน้ำมันของของสวรรค์ใหม่ น้ำมันของสวรรค์ก็คือการทำบุญให้ทานอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้และการรักษาศีลไม่ทำบาปถ้าเราเติมน้ำมันสองชนิดนี้ได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกได้แล้วถ้าเราเติมน้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม การจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้เราต้องมีสติสติเป็นน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบใจก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรห ม, มาโลกดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิให้สงบเราต้องฝึกสร้างสติกันบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะมันไม่พอ เราต้องสร้างอยู่เรื่อยๆสร้างสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นเนือก็ต้องมีสติเราใช้อะไรเป็นสติใช้พุทโธก็ได้ใช้ดูการทำงานของร่างกายก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดจะทำให้ใจของเราไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วก็จะไม่สามารถ ไปสู่สวรรค์ชั้นผ่อมดาดังนั้นเราต้องมีสติดึงใจดึงความคิดไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวพอเริ่มตาขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธลุกขึ้นก็พุโทโธเดินเข้าห้องน้ำก็พุโทโธอาบน้ำแต่งตัวก็พุโทโธรับประทานอาหารก็พุโทโธไปไปทางานก็พุโทโธไป จะหยุดพุโทโธก็เฉพาะเฉพาะเวลาต้องใช้ความคิดในการทำงานถ้าไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานก็พุโทโธไปถ้าไม่มีความคิดก็หยุดพุโทโธได้ถ้าเราม่พุโทโธบ่อยๆความคิดมันจะหายไปแล้วใจของเราจะว่างจะเย็นจะสบายเวลาเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะสงบเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบแตงรูปแบบ คือจิตจะนิ่งจะเย็นจะสบายมีอุเบกขาไม่มีความรับความชั่งความกลัวความหลงมีแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายความสุขที่ได้จากสมาธินี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแทนที่จะมีความสุขกับมีความวุ่นวายใจตามมา ต้องกังวลแล้วว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนจะหลบหน้าหลบตาคนได้อย่างไรเวลาคนมาขอเงินจะปฏิเสธเขาได้อย่างไรมันก็ทำให้ใจเราวุ่นวายไปแต่ความสงบนี้จะไม่มีความวุ่นวายจะมีแต่ความเย็นคว้นพอเหมือนกับการที่เราได้เข้าไปในห้องปรับอากาศเวลาอยู่ข้างนอกมันร้อนพอเราเข้าไปในห้องปรับอากาศแล้ว เราจะรู้สึกเย็นสบายชั้นใดใจของเราเวลาที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธินี้มันจะร้อนจะวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆร้อนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายกับคนนั้นคนนี้แต่พอเราเข้าไปในสมาธิได้เรื่องราววุ่นวายต่างๆหายไปหมดเพราะเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับ ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะได้ความสงบได้ความสุขใจแล้วตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมละโลกย่อถ้าเราอยากจะให้เราไม่เสื่อมกับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกเราก็ต้องเปลี่ยน พรหมราับนี้ให้กลายเป็นอริยซั์ถ้าอริยซับนี้จะไม่เสือ่อมอริยรับ ก, ก็คือซับของพระอริยเจ้าที่มีสี่ขั้นคือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอราหันต์วิธีที่จะแปลงพรหมมาพั์ให้เป็นอริยรั์ก็คือเราต้องทำลายความอยากต่างๆเวลามันโผล่ขึ้นมา เช่นเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็อาจจะไปคิดถึงเรื่องขนมเรื่องของกินเราก็อาจจะเกิดความอยากกินขึ้นมาถ้าเราจะกินเราต้องใช้เหตุผลว่าถึงเวลากินหรือยังถ้าไม่ได้ถึงเวลาเราก็ต้องอย่าไปกินมันเพราะถ้าเรากินตามความอยากแล้วมันก็จะทํำให้จิตของเราเสื่อมลงไปพรหมรัพที่เราได้จากความสงบก็จะหายไป ใจของเราก็จะไปหาความสุขกับการกินการดื่มเราต้องห้ามความอยากเหล่านี้ด้วยเหตุด้วยผลกินได้ดื่มได้แต่ให้มันมีเหตุมีผลกินเหมือนกินยาดื่มเหมือนดื่มยาเราไม่ได้กินยาดื่มยาตามความอยากฉันใดเราก็ไม่ควรดื่มหรือรับประทานอาหารตามความอยากฉันนั้นเพราะอาหารนี้เป็นเหมือนยา ที่เราดื่มที่เรากินเพื่อที่จะเยียวยารักษาร่างกายของเราให้อยู่อย่างปกติสุดไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไปก่อนเวลาอันควรนี่คือเรื่องของการกินต้องกินแบบนี้เราต้องใช้ปัญญาอย่าไปทำตามความอยากเพราะถ้าทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์เช่นอยากจะกินอะไร แล้วไม่ได้กินตามความอยากก็ไม่สบายใจไม่พอใจพอไปถึงร้านร้านที่เราอยากจะกินเขาก็ปิดซะแล้วหรือหมดแล้วไปแล้วก็ไม่ได้กินก็จะผิดหวังผิดหวังก็จะเสียใจแทนที่จะมีความสุขจากการไปกินก็กลับในความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาอยากกินอยากดื่มอะไรถ้ายังไม่ถึงเวลาก็กลับไปนั่งสมาธิดีกว่า ทำใจให้สงบดีกว่าเพราะใจสงบแล้วก็จะมีความสุขมากกว่าการได้ไปกินได้ไปดื่มนี่เรียกว่าปัญญาเราต้องใช้ปัญญาคือเหตุผลว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำตามความอยากโดยเด็ดขาดเพราะการทำความอยากนี้จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวายใจไม่ใช่ไปสู่ความสงบถ้าเราอยากจะมีความสงบเรากลับไปนั่งสมาธิดีกว่า นี่คือวิธีที่เราจะแปลงพรหมทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ถ้าเราตัดความอยากได้ไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะขึ้นสู่ขั้นขั้นต่างๆของพระอริยเจ้าขึ้นขึ้นไปสู่ขั้นของพระโสดาบันพอได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นปุตุชนอพอได้เป็นโสดาบัน แล้วพอขึ้นไปสู่ขั้นที่สองก็จะไม่เสื่อมลงมาสู่ขั้นที่หนึ่งพอขึ้นไปสู่ขั้นที่สามก็จะไม่เสื่อมลงมาสู่ขั้นที่สองพอขึ้นถึงขั้นที่สี่ขั้นสุดท้ายก็จะไม่เสื่อมกลับมาลงมาสู่ขั้นที่สามจะเป็นพระอรหันต์ไปตลอดเป็นพระพุทธเจ้าไปตลอดจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการเกลื่อนไหวตายเกิดนี้มันไม่ดี มีใครอยากจะแก่บ้างมีใครอยากจะเจ็บบ้างมีใครอยากจะตายบ้างไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายแต่ถ้าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้ เราไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะอยู่ในพระนิพพานที่ที่มีแต่ความสุขที่ที่มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจิตใจของพวกเราไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายที่พวกเรามาผูกติดไว้อยู่ร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยต้องทุกข์กับการเป็นไปของร่างกายแต่ถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังทรมเราจะได้ยินว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เป็นเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นใจที่ไม่มีวันตาย ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองพอเราไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่ทุกข์กับมันเหมือนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ได้ไปทุกข์กับเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยรู้สึกเฉยเฉย เวลาคนที่เราไม่รู้จักแก่เจ็บตายไปแต่ถ้าคนที่เรารู้จักเราก็จะอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีดังนั้นเราต้องหยุดความอยากให้ได้เพราะความอยากนี้มีแต่โทษไม่มีแต่ไม่มีคุณมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการที่จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนพพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญานี้มาทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วถ้าเราเอามาใช้เราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องทุกกับเรื่องของร่างกายไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บค ว, ความตายของคนที่เรารักของคนที่เรารู้จักเราจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่คือผลงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าการมาทำบุญทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด มันก็จะทำให้เรามีความยินดีที่จะทาบุญที่จะรักษาศีลที่จะนั่งสมาธิที่จะเจริญปัญญาเมื่อเรามีความยินดีเราก็จะมีความขยันเรามีความตั้งมั่นตั้งใจและคิดด้วยเหตุด้วยผลเวลาเราจะทำอะไรถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไม่ทำถ้าเราได้ทำบุญเราก็จะทำถ้าเราคิดอย่างนี้ไปต่อไป เราก็จะพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนจะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดกันนี่คือเรื่องของอิทธิบาสีทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสําเร็จเพราะพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็ต้องใช้อิทธิบาสีนี้ผู้ที่จะเป็นนายกผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ที่จะเรียนจบปริญญาเอก ผู้ที่จะเป็นเจ้าของของบริษัทหรือหัวหน้าของบริษัทก็ต้องมีอิทธิบาทสีด้วยกันถึงจะเป็นได้พวกเราถ้าอยากจะเป็นขอให้เราสร้างอิทธิบาทสีขึ้นมาแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้เป็นตามที่เราต้องการอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคืนคุณภาษีลัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ชีวิตของท่านแข้งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ